ท่านจัดจนพุทธบริษัชเวลานี้ 14 ธันวาคม 2533 แต่ว่ามองดูใน เพราะว่าถ่าย ก็เป็นนั้นว่าหลัง 10 ทั้ง 10 รายการนี่เธอ 40 แล้วก็มหาปฏิปทานสูตรแต่กลไกข้องประเภทนี้มันใช้ไม่ได้ก็เรียน ต้องคิดให้น้อยๆแต่ถูกมากก็เลยกราบเรียน ในคราวนั้นคันอย่างยิ่งกับเจียงแหลแต่ดึก โซ่พระท่านมีมีและอีลาต่างกันคนหนึ่งท่านพูดไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งท่านพูดไปอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลสําหรับพวกเรา อย่าเอาแต่เพียงความอีก 3 ตัวก็ปรากฏคําว่าสมุทัยเหตุให้เกิด แล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะการเกิดนิโรธะ รูปปัญญาอยู่ก็ดีก็ผมอาจ สงเคราะห์คนน่ะสงเคราะห์ภิกษุสมณะนี้ต้องการในป่าที่เข้ามาในป่าเป็นหน้าที่ของเธอทั้งสองถ้าสรุปตัวเธอเอง เคยเป็นกษัตริย์บ้างเคยเป็นแม่ทัพบ้างต้องลบราข้าวฟันมาทุกชาติและอิปรการ 1 ผลจากการลบราข้าวฟันฆ่าคน บาปตัวนี้จะรุกรานเธอตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าการทั้งทางร่างกายของเธอไม่มีอาการปกติจะมีการป่วยทุกวันวันไหนที่ เธอจงจำไว้ว่าเวลา ก็ถือว่าท่าญาติข้างพ่อก็ พี่เนี่ยถ้าท่านป่านตายได้เผอ คนยกย่องสนับสนุนต้องหาพรหมปัวให้แต่ความจริงพระตั้งว่าไม่ได้ขอแต่ว่า มีพระท่านพระครูบ้างเวลานั้นเจ้าคุณหายากว่านอกจากคุณหาญาติเต็ม ในเมื่อเธอฟังแบบนี้แล้วเธอก็มีเกิดความรู้สึกว่าพระในกรุงเทพฯที่ว่า ปัจเจินทภาว่าร้ายกล่าวโทษตลอดเวลาแต่ เหมือนกับคนที่กินข้าวกินแกงมีลิ้นลิ้นมีประสาทรู้ถึงแม้ว่าเขา เขายกย่องว่าเป็นความรู้เลิศชั้นประเสริฐเขาจะไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อ เวลานี้เราเชื่ออยู่แล้วเราก็เชื่อต่อไปที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลกิอนินทิโตคุณไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกจําไว้เสมอว่าเห็นหน้าคนคิดว่าคนนี้เวลานี้เขาดีแต่เวลาต่อไปข้างหน้าเขาอาจจะนินทาเราเรา ก็ถือว่าเป็นนิสัยของเขาเป็นสมบัติของเขาแล้วมันก็เป็นสมบัติของเราที่เรา ที่ท่านปานสอนกรรมฐานแล้วมีพระกี่ ต่อไปในเบื้องหน้าคนประเภทกปิละภิกขุจะมีมากมายในเขตพระมีในสุขเล่มไหนโครบถ้าบอกว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าจะทรงชีวิตอยู่ ความรู้ในด้านวินัยธรรมะพอสมควรพอ ทุกคนยอมรับก็ถือว่าเธอจบพระธวิโดก็มีลูกศิษย์มากเมื่อมีลูกศิษย์มากก็มี ถ้าจิตยอมรับความดีเวลาจะตายก็ไปสู่สุคติถ้า มาสมัยพระพุทธเจ้านี้ตรัสขึ้นมาเธอเกิดขึ้นมา ถ้าว่าเธอชื่ออะไรชื่อบอกเธอบอกว่าก่อนเธอน้องสาวไปไหนน้อง ทั้งนี้เพราะอะไรพวกว่าบรรดาพระทั้งหลายเห็นว่าเธอสอนชาวบ้านสอนพระเปลี่ยนแปลงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาตะพุทธเจ้าเพราะคนที่ได้จบพระไตรปิฎกไม่ได้จบองค์เดียวที่จบพระไตรปิฎกตามธรรมดาก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีถึงแม้แต่พระอรหันต์ ด่าพระธรรมดาด่าพระศูนย์ คนโง่เง่าเต่าตนอย่างนี้จะเสือกมาสอนกันพระพี่ชายก็ต้องกลับเข้าป่าไปนี่ต่อไปสภาพของเธอก็จะเป็นอย่างนั้นทว่าฉันจะไม่พยากรณ์ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไปอเวจีมหานรกแต่เธอก็จะพบ ไอ้เธอจะเป็นคนมีงานหนักต้องเป็นคนมีลูกศิษย์มากเคยจะเป็นคนมีงาน ชีวิตของเธอจะใจจะต้องคิดเมื่อจิตต้องคิดกายต้องหนักใน ก็ถามได้ว่าผมอีกครับท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอายุไขของ เธอต้องเป็นพระที่อยู่ในอำนาจของพระปฏิบัติตาม เธอเป็นหนี้เข้ามาท่านได้ชายกวนต้องไปชําระหนี้เขาฟังแล้วก็เศร้าใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดมาก็ขอชาติหนึ่ง พอเธอมีความรู้สึกว่า เขา 60 ปีวรวาสนา 27 ปีก็ต้องแบกบุญ เคยไปเที่ยวชั้นดุสิตเห็นเทวดาชั้นดุสิตที่มีบารมีเธอก่อนจะ 40 ปี เธอต้องลาจากพุทธภูมิแต่ว่าเวลานี้เธอต้องทําให้เข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าท้อถอยทุกอย่างจะประสบกับทุกข์อะไรก็ แต่ว่าเธอก็เลยอยากจะรู้กรรมของตนให้มันถนัดเราใช้ของเราเองพอได้บ้างพอสมควรกิจ ผมอยากจะดูภาพเก่าๆว่าเคยฆ่าฟันกันมามากมายผม วัวควายช้างเอ่อช้างม้าวัว สัตว์นี้น่ะใช้หมดเพราะเฉพาะใช้ใช้ ที่นัยที่จะเอกันตบรมสุขที่นั่นเธอจะไปอยู่ที่นั่นได้อันนี้เป็นคําปยากรของพระมวดยงแต่ว่าเธอท่านหลายจงอย่าลืมนะว่า แต่เธอจะเข้าใจ 40 กองจะต้องซ้อมไว้เป็นปกติจะ เธอจงเก็บไอปัญญา แต่คนที่ปฏิบัติเจาเขาไม่ถามว่าผมจะไม่รู้ชั้นไหนชั้นนั้น ถ้าท่านปานตายแล้วนะเธอสงสัยอะไรก็ไปหาฉันทุกอย่างฉันจะไม่ปกปิดตายแล้วนะเธอ คือความรู้ทุกอย่างที่เธอมีอยู่เนี่ยเธอสามารถทําได้ทุกอย่างเวลานี้ก็เริ่มขี้เกียจแล้วเมื่อทําใหม่ๆจริงๆ ที่สามารถทำได้สามารถทําใช้วิชาความรู้ปกติธรรมดาได้หรือไม่ ท่านท่านนั้นบอกว่านี้ที่ฝึกอยู่นี่มันง่ายหรือมันยากขอรับผมก็เห็นว่ามัน ถ้าเธอลำใครเค้าจริงๆสูงๆเข้มแข็งในพระศาสนา <c oughs> อย่าสนับสนุนเธอให้ทรงตัวเป็นผ้าเหลืองอยู่เพราะต่อไปเบื้องหน้าเธอจะเกิดความลังคานถ้าเกิดความลังคานแล้วพระองค์นี้ไม่เข้าช่วยเธอก็จะกลายเป็นพระเขียวหมายความ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไร 99.99% เขาชอบอภิญญาสมาบัติเรา พระ แต่ละคืนสอนเธอจะเหนื่อยเปล่าเพราะวิสัยแบบนี้จะมียากสําหรับบุคคลที่จะเป็นทําได้แต่ก็มีอยู่แต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่ถือต้องเป็นครูต้องคนอื่นเค้าเป็นครูกันเธอ <c oughs> ก็เลย 2-3 นาทีก็ถึงวัดหน้าเอ๊ะหลวง หลวงพายก็หายกับอาจารย์จะเป็นนึกว่าครูบาอาจารย์เป็นผีถ้าไม่ใช่หลวง เพราะหน้าที่พูดมันเป็นหน้าที่ของฉันแต่ <c oughs> ก็คือคุย